ยายครนนั้ น, นี้จับนสายบ้างจากเขาขูดบ้างจากก้อนศีนาบ้างได้รับความบามดเจ็บหนักสาหัสไม่เม่าไม่อาจได้รจากเสียแล้วเขาจึงลกเสียแลนมื่อพักผ่อนเพื่อสรสมกำลังก า, ก า, กายเพียงเล็กน้อยแล้วก็เริ่มหาวิธีการต่อไปอขอเขาหักอนเลกอนดีเมืดินิว่า ในเสียงแทและกุดลปกตงนั้นอวยเวรานทั้งหลายท่ามกลางีอยู่ ฉนันเองเ้าเคยอยากแก้เห็นใจา ก, การทรมานกายด้วยวิธีต่างๆแต่ไม่อาจนรรถึงสภาวะอันยงขมิดขืนผ่านได้หลองบู่ผู้เป็นแม่คัดน้ำจากเรสไยเราจเงน่าทุกขกัรกระยาล้นเสียนล้วหาวิธีใหม่คือการทําความเพียรทางจิตหนวงปร่นัง่งจ่อไปเสียงไปขุดดินเพื่อสแสวงหาน้ํา ในที่สุดบนี้เราได้เป็นผมแล้วเราได้เดนน้ อ, อรนะันต์ขึ้นนิพพานแล้วที่สุดทลายเราเป็นอรหันต์ไ ด, ด้สอเองโดยชอบแล้วท่จาจงตั้งใจฟังเถิดเราจักแสดงทําให้ฟังจักเป็นปะยชน์แกความสารัทธพวกข้ตวกาละนานทำที่เราจะสแสดงนี้เราไ้ประสบมาเองผ่านมาเอง รู้มาด้วยตนเองเมื่อพระปัญจลกีรุกฟังอย่างนั้นพิจารนาตามก็ไม่เห็นเหตุผลตามที่พระพระุทธองค์ตรัสจึงมีการขรารวะขึ้นและ ต, ตใจฟังพระพระุทธสารจาพระพระุทธเลยต่อไป ทำตนให้นมาเกินไปก็ให้เกิดแต่ทุกข์แก ต, ตน่ายเดียวไร้ประโยชน์หากทางสายนี้มุ่งส่้นกัการพว่อเปิดโอกาสทางสองสายดังกล่าวมานี้ผู้บวชแล้วไม่ควรเข้าไปข้องแวดด้วยคือสูตทั้งหลายเมื่อเราปฏิเสธทางได้สองสายาแล้วเราจะเสนอทางไหอั่ทุกคนควรนเนิน มาปฏิปทาเป็นมรคคาอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการคือ ที่จะย่างยมานเอาชนะมานอย่างที่เราเอาชนะมาแล้วเป็นทางนั้นไปสู่การรู้สัจากแห่งชีวิตไปสู่อมตะธรรมและสัจธรรมที่สูตรหลายมีสัจจะอันประเสริฐสี่ประการที่ท่านผ้บุคคลผู้รู้ทั่วที่แล้วหลุดพ้นจากความทุกข์ดับสนิทอย่ยงดีสัจจะทั้ีประการนี้เอาเราตถาคตรู้แก้แทนตลอดแล้ว เหตุแหทุกข์ขั้นมูลฐานตัณหามีสามลักษณะคือหนึ่งดิ้นรนอยากได้อารมณ์อันหน้าใคร่เมื่อพอใจกล่าวคือรูปเสียงกลิ่นรสพลัตพัลกับความรู้สึกทางใจอิงเอียงไปในความหน่าใคร่นี่เราเรียกว่าการละตัณหาสองดิ่งรนอยากไปโน่นไปนี่เราเรียกว่า ภาวะต่งหาสามร่งนอยากผลักสิ่งที่ได้แล้วไปแล้วแต่ิดความเบือน่ายและอิจฉาเราเรียกว่านี้ภาวะตัาหานี่แหละคือสาเหตุถึงทุกข์ขั้นรฐานสาเหตุนอกนี้เป็นเพียงลาเหตุทั้งแต่นแมนออกไปความทุกข์เกิดขึ้นได้ก็ร่าับได้เช่นกัน ว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะในเหตุเมื่อจะดับทุกข์ก็ควรดับที่มูลเหตุการดับมูลเหตุแห่งความทุกข์ก็คือดับปัญหาเมื่อดับปัญหาได้ความทุกข์ก็ย่อมดับไปเองความดับทุกข์นี้เรียกว่าทุกข์ขนธโรดและแทนที่จะดำเนินไปก็ความดับโดยไม่เหลือเหตุทงกข์ใดคือทุกข์ขนธโรดจะขาดมีปฏิปทากล่าวคือ มารคาอันประเสริฐประกอบด้วยองคแปดปอะการมีสามนาคติเป็นต้น ควรกำหนดรูกคือทบเราได้กําหนดรู้แล้วสิ่งใดควรละคือสมุทัยเราละไปแล้วสิ่งใดควรทําให้แจ้งคือนิรอดเราได้ทําให้แจ้งแล้วสิ่งใดควรอบรโภให้มีขึ้นคือมักเราได้อบรมให้มีแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อประกายเชนี้ยานปัญญาวิชา แ, แสงสว่างจึงเกิดขึ้นแก่เราอย่างหาขอบเขตไม่ได้ สิ่งที่กล่าวนี้เรารู้เองเห็นเองไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากสมณพราหมณ์ใดๆเลยสัตว์จากทั้งสี่ประการนี้เราได้รู้เจ้งแทงตลอดแล้วด้วยปัญญายิ่งตราบได้ที่เรายังไม่รู้เจ้งแทงตลอดอริยุสัตว์สี่ประการนี้ตราบนั้นเราไม่กล้าปัญญาตนว่าเป็นพุทโธผู้รู้แล้วตืนแล้วเบิกปาแล้ว พระรามารู้แจ้งแทนตรอดอรยิยสัตว์ทั้งสี่ประการซึ่งมีรายละเอียดต่างๆกล่าวคือมีสามรอบและสิบสองอาการยังกล่าวมาเราจึงกล้าปฏิยาตนตว่าเป็นพุทูธพิจารณาทั้งหลายธรรมจักเแล้ว่าเคยทำที่เรามุงไปแล้วนี้ไม่มีคใครโลกพร้อมทั้งถี่โลกตลอดงานพรมและสมณะพรามใๆจะมนกลับได้ พราะตอนนี้เห็นธรรมที่หมุนไปในทางที่ถูกต้องแล้วหมไปเพื่อคาลายเมื่อยหนายในพเพื่อคลายความกหนัดเพื่อรดับทุกข์เพื่อเพงที่แจ้งซึ่งพ ร, น ร, ะ, นร ะ, นงะนิพานเมื่อพระผ้มีพระเจ้าแสดงพธรจากขัตต ทรง อ, อุศเพื่ความเป็นกาพระไถวว่ากุณฑัญะพระยกุณัญะอคแล้วงานแห่งพระกุณัญะยิงเพิ่มขึ้นคไดอีกว่าอัญญา น, นยากุณฑัญระเมตาพระชนีส่วนระพุทธสี่คือรพระป่าพระทยามหานามาและอกษชิยังไม่ได้เห็นทรรเหมือนพระอญญานนยากุณญะแต่ท่านพระสีนั้น ก็มีจิตใจชื่อชมสนฤทต่อธรรมกถาของพระผมีพระภาคเจ้าพร้อมที่จะเป็นพระสาวกและเป็นพระโอวาทของพระองค์ต่อไปขณะที่พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมจักจบตรงนั้นเองมีเหตุอัศจรรย์วันหนมาไปมีแผ่นไหวเป็นต้นฉันจริงคือที่พระองค์ตรัสเล่าว่าออดูขวดองค์เมื่อโดยถ้าฐานพุทธดชธรรมจัก อาจจมีจากอื่นา ก, กว่าเมื่อนั้นแผ่นดินไหวนั้นไหสั่นสนะเทือนได้กลับกับพิสูจทั้งหลายว่าเมื่อใด็ถ้าขุดะกนดผลตัรกะธรรมชาติเมื่อ้นย่อมเกิดแสงสว่างขึ้นทั้งในโลกนี้และโลกอื่อนทั้งในดวงตาพรามเทวดาให้บรรลุแสงสว่างนั้นหาประมาณได้แสงสว่างนั้น ก็ถึ ง, งแม่ลูกะละการตรลิกาอรุษอนกคนสัตว์ที่เกิดที่ใดจะรู้ขึ้นว่าท่ า, า, านาทั้งหลายคนอื่นที่หนึ่ที่นี้น่าจะเราคงอยู่ทั้งนี้เพราะอนานผาดเป็นแสงสว่างให้เกิดจากการประกาศธรรมจากขันเองให้สัตว์ต่อนั้ซึ่งไม่เคเห็นกันได้เห็นกันเมื่อพระกุณฑลสม็จเป็นพระสงฆ์ดบ มีคติแน่นอนว่าขัดต่เป็นธรรมดาแล้วมีความเมืองสายในพระธรรมขัดสอนของพระพุทธีพระพุทเจ้าอย่างไม่ขอแกนไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยอีกแล้วได้ประสบปีติเปรียบอย่างใหดหวงมีธรรเอื้ออาบไปทั้งกายและจิตจึงทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธีพระพุท้าเพื่อเป็นการยืนยันว่าตัอตนนี้ไป ขอถือพระองค์เป็นที่พึ่งและเป็นสาวกของพระองค์อย่างแท้จริงแต่ดูทีลูกไม้จะเป็นพระุทธภิกษุจุกอแล้วแต่ยังไม่ได้ปฏิญาณตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุ่ธมีพระพากษประทานอุปสมบทแต่อญยากรทะยาตุวิธีเอกุปปุสุปสมบทว่าเพื่อจะเป็นพิพสมมุมาเป็นพัท น, น, น, นเ์เพื่อจงในสมณะของเราเพื่อทําที่สุดแทนทุกเกย เพียงท่นี้พระอกฏัญญาก็เป็นพิสุท์สาวกของพระองค์เป็นรปูปแรกพระพรตถาฐาเจะออกประทับจากปัญสาระตาอิสิปัตนามีคายาให่ในปัญสานันดนทรงประธานพระธรรมเทศน า, าบกเร็กแก่พระเป็นเจา้าจีเพือ่ออบรมวิสัยให้แก่ก้าสกวสะดวกในการรับธรรมเทศนาเมงสูงต่อไปข้อความในอัตฐถาตยปัญจนสน คงจะต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วก็มีแก่เจ็บและตายเป็นที่สุดระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้นก็เต็มไปได้ความทรมานานานาป ร, ระการเพราะการแสวงหาอาหารบ้างที่อยู่อาศัยบ้างเพ ร, ะราะโรคภัยไข้เจ็บเพราะการทะเลาะวิวาบบ้างเพราะถูกกิเลสลุมผาบบ้างร่างกายนี้จึงไป็ก้อนทุกข์ก้หนึ่งที่ดอนไปโดยม า, าขัไข่ เร่างกายอันเป็นท ต, ตั้งแห่งมก่อให้เกิดกรรมรับการให้กับเรื่อนี้มอให้รก็เหมือนกับถุงอันบรรจุแต่งานความเป็นสิ่งทนงายมนนากกว่าทรงเสอให้มนุษย์กุดพ้นจากคาเย็นแห่งความทุมื่เป็นเหยื่อหลอกให้กลเกียข้องับนแล้วก็สับโคให้เจ็บท้องในภายหลังเหมือเหยื่อที่ติดอยู่กับเป็ดึษาเสมน ไม่เทานคนดใดใกนี้ที่ให้เหยื่อขึ้นติดอยู่กับเปดนจะ ต, ตายด้าปลาลีสั้ไหมีาการและเกเหย่ใที่จะให้ความสงบเย็นแกมรดุดาจังปอภัยมันเป็นพีงมงรรคหยื่อเล่าของโลกทนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาเจ้าสรงต่อสิจัยของระักุลบุตรให้หายจากความยินดีในการ กวรรับพระธรรมเทศนาชั้นสูงให้ได้ดูตาเห็นธรรมเหมือนผ้าที่ตาประจัดบางทีควรร so ับน้ําย้อนได้แล้วจงส่ประกาศพระธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจสําคัญคืออรรถศาสตร์สี่อันได้แก่ธรรมชาติแห่งความทุกข์เมื่ที่เกิดทุกข์ควรตั้งหาความยินรุนในประกาศต่างๆความดับทุกข์และทาให้ถึงความดับทุกข์ เมจอบสาวกะกังศิกาธรรมเทศนายะความุตก็ได้โบตาเห็นธรรมมีแสงสว่างพิงพ่มเพิ่มขึ้นในดวงใจประดุดอุคคณผู้ขายจะรู้เพ้สว่างโรคขึ้นในที่แร่เฉ่นนั้นต่อมาเล็กน้วยทระเถรเทศนาทนเดียวกันที่พระศาสาดาร์าดารแก่บิดาตนสั้ฆอีกครั้งจเรียกงพระพุทธเ คือเป็นแมน่เป็าองศาโยิตในอิปการหนึ่ในอิปการห น, นเป็นแกันโดยเคยทำคือมีความดีต่อกันรมฟื้นกันช่วยเหลือกันขั น, น, น, น, น, น, น, นขขห้ปลอดภัย เ, เราตถาคตเป็นแม่กับบุคคลท่้งในอิการหลงัง ท่านนเดียวกับพี่โงแสดงแล้วแกก็ฝากระบุให้เศรษฐีเงาสจนท้องตใจขอ่้หีตนและแสดงใงจง เ, ป เ, ปเป็นอินาราถเป็นกแรกเจเป็พุทธศาสนาเศรษฐีกล่าวกับชายว่านองรักแม่ของ้าให้ข้าทวนพื่อรดถเจ้าอยู่กลับไปแม่ในการถยเพื่อให้แม่ของเจ้ออา พ, า, า, พายโศ ยศสกุลบุตรมาโระเจ้าอิโ <Maple> า้เจ้าเป็นเชิญปรึกษาพระศาสดาที่ตัดสับเสร็จถึงว่ายศสกุลบุตรได้บรรลุอรหัยตะโพลแล้วมีชาวบุกหวังที่จะกลับคืนไปครองคาวัตอีกแต่ถิ่นได้ทราบดังนั้นมีความพอใจเกิดตาโนดที่บุตรชายของตนได้บรรลุอาลัตะโพลผลอันสูงสุดเท่าจี่มนุษจะเป็นได้ในชีวิตนี้ จึกงกล่าวอนุโมนาว่าเปนาตประเสรของพรรัแล้วและเพลงเชิญพระาศาน า, าพระรัศมีผู้ชัยให้ประเสวยพระอาหารแลฉันกบ้านใหตนเมื่อแต่ทีนุปนิดาจากไปแล้ ว, วยสตบดสัทงทรวของมังชาอุปสมบท ต, ต่อพู้มพระภาทรงอนอุญาตการอุปสมบทโดยวิธีเอลิพิคุอุปสมัทิแต่าาไม่มีคาว่า จงทำที่สุดทุกเถิดและพระษีนั้นได้ทำทุกข์ใสูญเสไปแล้วเพราะเส่ออาสวะช้าลง้าจึงสวยักระหารที่แม่ของเศรษฐีบิดาพระษีแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงทางแก่านานดาและพังงนยาเก่าของพระษสัเปลี่ย้งสอ ง, องใสสังสารพระทมเทศนาและขอปฏิญาณตนถึง พ, งพยยระสงฆ์ให่ เปานอนาาริาคู่แรกในพระธมณเฑียของพระพุทีพระพุทเจ้าแล้วภะษาสดาก็กลับไปสู่อิสิปัตตะมริกะทายวันดังเดิมสหารยปสนุกสนุยาน่ของพระมิะสาาะส ะ, ะสี่คนนามว่านิมมนุพาหุปุมาเชแรกเข้าลงปฏิและใช้ที่อีข้าสิบคนออกบทตามพระยถ์ได้สนุกเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดในินชา ขณะที่พระศาสดาประทับอยู่นะตะอิสิตาละเล่วันนั้นพระศาสดาได้ภาษาเรียนทั้งหมดหกสิบพูดน้อยแต่เป็นพระอรหันต์พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่ามีจํานวนมากพอที่จะส่งไปประกาศศาสนาได้แล้วจึงให้พระสุขลาเหนั้นมาประชุมพร้อมกันทรงเชื่อมความประสงค์ของพระองค์แล้วตรัสว่า พิสุทั้งหลายบัดนี้เราและเธอทั้งหลายพ้แนแล้วจากเหมืองเถ้าหลวงทั้งที่เป็นของทิพยและของนุชพิสุทธิ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจารึกไปเพื่อประโยชน์จาความศักแกมหาชนเพื่อความอินดวตแกโลกเพื่อประโยชน์เพื่อวกวงแก่เทวดาและนมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันสองรูป เพอเกลีดน้อยก็มีอยู่หากไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็เขาย่องโศมจากคนที่คนได้รับบุคคลผ้รู้ทั่วถึงทรรมนั้นจักมีเป็นแน่เพ่สทั้งหลายแม้เราเองก็จักประสูตง บ, บนรุเวลาเสื่อมนคมทั้งสางโลกหลังนั้นรบพระพุทธศาสชาหนัเสียนก้าแล้วก็ทลายบางคนเพื่อมีประภา กระทั่งพระทักษิณเยือนขวัแสดงอาการคารวะสามว่าแล้วก็แยกย้ายกันไปเพื่อประกาศพรุมงจังเคือระบมาการขอชีวิตอุปต้องแก่ชาวกนับได้ว่าเง็นสาวกคนแรกที่ออกประกาศพระพิธธรรมให้เขาถึงจิตใจของประชาชนเพื่อปฏิวัติชีวิตและจิตใจของชาวพาราตะให้เลิกเชื่อถือสิ่งอร่ยสาระและถือสิ่งอมีประโยชน์ทน ส่วน พ, พระผู้มีพระภาคสลักตาพระองค์เดียวสู่ทิศตะวันออกเขียงใต้มาะทบไปยังตะวอุรุ่งเาครกรพระองค์ทรงกำหนดแผนในพระไถว่าควรจะปดใครก่อนทรงเบิเห็นว่าฉนันไดสพี่น้ององนาณาต่อท้ายญกระสปะคือุุกวันกสปะวันทีกสปะและอาญากสปะกัเป็นครบชาติเง อยู่ต้งองหุนรูเวลาดังเป็นที่เครพนัถือขอมหาชนม้ แ, แต่พระเจ้ า, า, จาถึงทศชายจองคนหยียพร่คตเองก็เคารพัถือทรรดานมัดนเดียสมัยนี้นก็เหมืนอมนใคออรอบโบราณคยทอดหัวหน้ายอมแพแล้วหลกหนาห ร, รือคนระวังมาก็พรอยาอไปด้วยว่นยานคาบพัถือใคร คนเลือกเนี่ก็แพ้ขรรถรถถือตามทั้งนี้สาเหตุไปจากการที่เก็บในสติปัญญาและความสามารถของหัวหน้าตนและในสมัยนั้นคนที่จะเป็นผู้นำคนไม่ว่าจะทางกําลังหรือทางกิตใจย่อมจะต้องมีกําลังความสามารถที่เหนือกว่าคนจริงๆไิฉชนะแล้วจะเป็นหัวหน้าคนไม่ได้ พระผู้มีประภาคมีพระประสงค์จะผลิตสถานศาสนาลงในแครงระกฏก่อนแห่งอืน่นพระสงฆ์พระจงอาเห็นว่าดุแดงแครงระกฏนั้มีนขณาจารย์เจา้าทิตมากมายหากสามารถชักจูงให้ขณาจารย์เจ้าทิตเหล่านั้นร่อมสายได้แล้วการจะเทศนาทางสอนประชาชนต่อไปก็เป็นการง่ายทำให้ประชาชนไม่ต้องหลังเลใจอร่ณ พระองค์ได้ทรงและปฏิญาของพระเจ้าเป็นภาษาแล้วว่าหากห่าแตสรุอลัลกัลสัมมาสังโพธิยานก็จ ะ, สะเสด็จมาตกบอประกาศนี้พระเจ้ามนสักยะจึงเสด็บตรงเน้นโดยพุทธมลาเอาประเสริฐสู่งงาน้ำตะโพธาเอาหายจากน้ำคงคาประมาณห้โหนนยธนี่นคือที่ตั้งแห่งความไม่เจ จึงนั้นหญิงแพศยสยาคนหนึ่งมาให้เป็นเพื่อนเมื่อทุกคนสนุกสนานไม่ได้เอาใจใส่ระวังความมีค่าหญิงแพทย์สยาจึงลักขโมยเอาหอเครื่องประดับแล้วหนีไปคนเหล่านั้นก็ชวนกติดตามมาพบพระผู้มีพระภาคประทับนั่งตั้งร่มไม้ต้นนึ่งและได้ใต้นั้นจึงทูนถามว่าสมณะ ท่านม่นที่นีได้เห็นหญิงคนใดคนหนึ่งผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พวกเธอมีธุระอะไรกับหญิงนั่นหรือเขาได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระพุทธองค์ทรงทราบครับกบแล้วแท่านี้นะก็ตัดไ่เน อ, อันนี้ว่าหยุดก่อนมานะิค่อยๆพูดเตอะคนแต่ไม่มีใครพูดเขากลับย้อนถามพระพุทธองค์ว่า แล้วตามความเห็นของท่านท่านเห็นว่าชนะอะไรจะสริที่สุดชนะตนเองสิมหมอนกชนะตนเองชนะยังไงลนะสมณะชนะตนเองนะพวกท่านรู้สึกว่าพวกท่านมีความอยากความปรารถนาในอารมณ์ต่างๆไปตัอง่ า, ง อ, าอยากได้รูปสวยเสียงเพ้อกลิ่นหอม รสอร่อยเป็นต้อหรือไม่ป่าถนามากทีเดียวสมณะเวลานั้นการถนามากจิตใจของท่านคิดถึงสิ่งนั้นมากหรือว่าคิดถึงตัวท่านเองมากคิดถึงสิ่งนั้นมากกว่าเวลานั้นท่านลืมตัวคองท่านไปนชั่วคราวใช่ไหมใช่ทีเดียวสมณะถ้าไม่ได้สิ่งนั้นตามการถนา ท่านรู้สึกเดือดร้อนมากไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความปรารถนารุนแรงหรือว่าอ่อนเพียงใดถ้าความปรารถนารุนแรงมากก็เดือดร้อนมากถ้าอ่อนก็เดือดร้อนลดลงมาสมมติว่าท่านใดสิ่นั้นมาสนใจอยากท่านมีความรู้สึกเพลิดเพลินพัวพันลหลงไหลในสิ่งนั้นใช่ไหมแน่นอนทีเดียวสมณะขณะที่ท่านเพลิดเพงลินหลงไหลนั้น ถ้าลืมตัวอีกใช่ไหมลือีกถ้าท่านเอาชนะสิ่งยั่วยวนได้ไม่หลงไหลไม่มาใ น, น, นสิ่งใดๆสติสัมปชัญญะจะอยู่กับตัวท่านเสมอท่านจะไม่ลืมตัวมีความรอบครอบอย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่แน่นอนท่านสมณะการที่ท่านเอาชนะสิ่งยั่วยวนต่างๆได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งยั่วยวนต่างๆเอายั่วยวนให้กําหัดขัดเคื่องรุนหลง ยังน้อยน้อยนแหละเรียกว่าถ้ า, าเป็นผู้ชนะตนเองการชนะตนเองนี้เป็นสิ่งชนะยากชนะคนอื่นนั้นง่ายกว่าคนที่ชนะตนเองจะมีน้อยใครสามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่กลับแพ้อีกเราเรียกว่าเป็นยอดไมครบคมีสงครามสงครามชีวิตซึ่งยืดเยื ย, ยนาวนานที่สุดกว่าสงครามใดๆ พระผู้ on, มระภาคยึดกระแสพระพุทธะนดไ้เพียงท่นั้น กรดาษโทษของสิ่งนั้นเมื่อเห็นโทษแล้วบางท่าความมึนเมาในสิ่งนั้นบางทาาแล้วก็พยายามถำให้สิ้นไปมา่อสิ้ไปแล้วพยายามไม่ให้เกิดขึ้นอีกวิธีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นการแสวงหาตนเมื่อพบตนแล้วเห็นแจ้งวิยะถาภูตยานทัศนะแล้วจะมองไม่เห็นตนแต่จะเห็นความเปลี่ยนแปลง ความทนอยู่ไม่ได้และความไม่ใฉยตัวตนต่อแต่นั้นความสว่างโลกก็จะเกิดขึ้นในดวงจิตของคนทุกคนที่เห็นเช่นนั้นไม่นิ่งอยู่ในความมืด อ, อีกต่อไปท่านพุจะตัดสินใจได้แล้วหรือย่างว่าจะแสวงหาหญิงดีกว่าหรือจะแสวงหาตนดีกว่าแสวงหาตนดีกว่าอย่างแน่นอนท่านสมนะเพื่เหตุไร พราะผูแ้แสวงหาตนย่อมต้องวุ่นวายกับการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นกา ร, รกัดความทุกข์ไปรเรน้อยใ น, นที่สุดทุกข์ก็หมดไปเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าจิตใจของพัทลักีอ่อนโยนพอที่จะรับพระธรรมเทศนาอื่นได้แล้วพระองค์จึงทรงแสดงอรูปพิกถาพนางายันถึงกามาทีนุโทษของกามและอนันสงห่งการเตะตอนออกจกรรม เพื่อให้จิตใจของพวกเขาละเอียดอ่อนพอที่จะรับพระธรรมเทศนาเบื้องสูงจึงทรงประกาศจตุราริยศัสตร์เมื่อจบเทศนาพัทธวัคคีทั้งสามสคนก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะธรรมบางประการเป็นโสดาบันแล้วทรงประทานอุปสมบทสง่งรปประกาศเพระมนอาจาร์เช่นยาบติษุหกสิบรูปพวก